เดิมตอนที่แล้วเจ้าชายเทวทัพสารให้ทหารทำร้ายชาวเมืองกบิลพัทเพื่อแย่งน้ำในลำน้ำโรฮินีเจ้าชายสิทธะธรรจะแก้ไขด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธีแต่ทรงแพ้เสียงในสภาที่ออกเสียงให้ทำสงครามมากกว่าขณะเดยียวกันพระนางพิมพาประสูตรพระโอรสนามพระราหุลยิ่งทำให้เจ้าชายสิธรรยิ่งทรงหวาวุ่นกระทัย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 พอแล้วพอแล้วพวกเจ้าหยุดเต้นกันสักทีทำไมล่ะท่านกาลุไทยหรือที่ข้าเต้นเนี่ยไม่เป็นที่ถูกใจอืตรงกันข้ามนะสิพวกเจ้าดูยั่วยวนชวนให้ข้าอดใจแทบไม่ไหวหืนให้เจ้าเต้นระบำล ำ, ลำฟ้อนต่อไปข้าอาจจะโดดลงไ้ปล้ำเจ้าคนใดคนหนึ่งเสียดูนี้ก็ได้แล้วจะพูดให้เสียเวลา มัวชักช้ายู่ทำไมล่ะเจ้าคะถ้าอยากจะปั้มเราก็เข้ามาสิอือย่ามายั่วยวนคายเสียหน้าที่พวกเจ้าก็เหมือนกันไม่คิดจะถวายตัวเป็นนางสนมกำนันหรือไงจริงด้วยเจ้าคะ่ะเป็นนางกำนันของเจ้าชายย่อมดีกว่าเป็นนางบำเรอ ข, ของอำมาตย์อย่างท่านเป็นไหนไหนพระชายาเพิ่งมีพระปสูติการใหม่ๆย่อมถวายงานไม่ได้ ยางรีบไปกันดีกว่าเร็วเข้าท่านการุไทยเปลี่ยนใจกันทันทีเลยนะขอให้ทำได้อย่างที่พูดรหวังไว้ล่ะพวกั้านดนตรีด้วยตามข้ามาเดี๋ยวนี้ ว่าพเนตเหล่านางรำหรือเพค้าเสด็จพี่ไม่เห็นมีอะไรน่าดูที่ตรงไหนทำไมไม่น่าดูเพคะพวกนางต่างเป็นเดรุณีที่มีรูปกายเป็นที่เจริญตามีส่วนโคง้งส่วนเว้างามเป็นที่แปรธนาของบุรุษทั่วไปมีคำกล่าวว่าเคยเห็นทะเลมาแล้วน้ำบ่ย่อมไร้ซึ่งความหมายความสวยงามของนางทั้งหลาย มิอาจเทียบเพียงเสี่ยวหนึ่งของน้องหญิงได้แต่หม่อมชันเพิ่งผ่านการมีบุตรผิวกายย่อมหย่อนยานไปทุกที่มิอาจเทียบเดรุณีรุ่นสาวถึงจะงดงามแค่ไหนพวกนางก็คล้ายดังหมู่ดาวที่เกลื่อนกราดบนท้องฟ้าแต่ไม่อาจเทียบเพียงดวงจันทราที่มีเพียงดวงเดียวได้พิมพ์พาก็คือดวงจันทราและดวงสุริยาก็คือพระดาของหม่อมชัน แต่อาทิตย์และดวงจันทร์โคจรกันคนแล้วเวลาหม่อมฉันหวั่นใจว่าจงมณทลมเถิดพิมพาพี่จะนั่งสมาธิอยู่ข้างๆน้องหญิงและลาหุ่นที่นี่มีเรื่องต้องพินิษพิจารณาอีกมากมายในคืนนี้ เวลากันเปล่าเปล่าเจ้าชายสนพระไทยสักที่ไหนเมียประทับอยู่ตรงนี้ก็ทรงนั่งสมาธิและหลับพระแน่นนิ่งไม่ไหวติง<ะ>เหมือนไม่ทรงยนต์หรือได้ยินอะไรแล้วอยู่ดีๆก็ทรงลุกหนีเสด็จเข้าไปหาพระชาย า, ยากับพระโอรสงัาน<ะ>นั่นนะพวกเราตั้งตัวแทบไม่ทันเลยนะเนี่ย<ะ>แล้วพวกเราจะทําอย่างไรกันต่อไปดีล่ะฮะ้เต้นก็ไม่ได้เต้น รำก็ไม่ได้รําทําอะไรก็ไม่มีใครดูรู้อย่างเงี้ยอยู่กับอํามาตยารุทายยดีกว่าเสด็ถ่ายเข้าไปในห้องพระชายาถ้าเชื่อว่าป่านนี้น่าจะบรรทมเป็นนานแล้วล่ะพูดถึงเรื่องนอนเป็นรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาทันทีข้าก็รู้สึกว่านหนังตาจะปิดเหมือนกั น, น, นเนี่ย พวเราจะนอนที่ไหนกันทีละ่ะไม่เห็นจะยากยังไงค่าเนนอนไหนก็นอนได้ซุ้มทุ่มผุ้มไม้ก็เคยนอน <c oughs> ยาเม่นคามินเหลืองอ่อนงั้นค้าก็นอนกลนนะ <c oughs> อะไรกันพอพูดปุ๊บ ก, ก็หลับปับทันทีถ้าก็นอนเหมือนกันดีกว่า นางรำอ น, นอนกายกันระเกะระกอยู่ในห้องโถงที่เคยมีติดเสียงดนตรีบางนางก็มีท่านอนอ น, อนุจาตอ้าปากน้ำไหลๆมีเสียงกรนดังบ้างค่อยบางบางนางก็ละเมอหรือพ่างเพลือไม่เป็นภาษาบางก็ผ้าผรหลุดลุ่ยจนแทจบจะเปอยกายแต่ในสายพระเนตรของพระมหาบุรุษนั้นความงามที่เคยโสพา กลับดูน่าสมเพศเมตนาเหมือนบรรดาซากศที่อยู่ในปัาชาหรือสุสานกันยิ่งพิจารณาก็ยิ่งส่งเห็นความน่าเบื่อหน่ายมากขึ้นและในที่สุดก็สงระลึกถึงเทวทูตสี่ในนี้จนทรงคิดถึงความสิบที่แทนจากการบรระชานั่นคือการเสด็จออกมหาพิเนศกรมอันยิ่งใหญ่ ก่อน น, นะตรัสเรียกหม่อมฉันทํำไมหรือพระเจ้าค่ะหรือจะทรงเป็นประปฐัยเราแค่จะให้เจ้าจุงม้ากันธกะไปรอคอยเราที่หน้าประตูตําหนักเท่านั้นส่วนเราจะย้อนเข้าไปดูราหุลและพิมพาเพื่อได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากไปพระเจ้าค่ะ เจ้าชาสินจัตของเราเสด็จย้อนกลับเข้าไปที่ตำหนักประชาชนอย่างนี้แสดงว่ายังทรงมีความอะไรเพียงขอให้ทรงมีความรักและความห่วงใยมากพอจนเปลี่ยนปะไทยไม่เสด็จหนีออกไปบรรพชาทิพย์หน้ากัตกาเจ้าก็คิดกับข้าใช่ไหมล่ะชื่อกันภาวนากันแล้วกันนะ ลาหุนิมพากำลังหลับสนิทนิทราอย่างสบายโดยไม่รู้ว่าพ่อของลูกสามีของน้องหญิงกำลังกระทำสิ่งที่ปุถุชนชนธรรมดาทั้งหลายไม่อาจทำได้นั่นคือการเสียสลักละทิ้งลูกเมียละเสียซึ่งอำนาจราชศัตร์และความสะดกสบายทั้งหลายออกไปแสวงหา คำตอ บ, ตอบและความจริ ง, รงอันยิ่งใหญ่ให้แกสัปสัตเท้าไปในโลกนี้นพ่ออยากจะอุ้มลูกอีกสักทีแต่ก็ไม่อาจทำได้เพราะแม่ของเจ้าจะตื่นขึ้นมาและคร่ำครวญปริเวธนาจนพ่อต้องเสียความตั้งใจพ่อไปก่อนนะลาหุนลาก่อนน้องหญิงพิมพา แต่ไม่อาจลุกขึ้นขัดขวางการเดินทางของเสด็จพี่ได้พิมพาได้แต่ของกราบบาาเพื่อทูลลาในใจขออธิษฐานให้เสด็จพี่ได้ทรงพบกับสิ่งที่ทรงแสวงหาและหวังว่าจะได้เกิดเป็นข้ารองบาททุกชาติไปเพคะ ถวายบังคมพระเจ้าค่ะยังไม่เปิดประตูตำหนักเองหรือชนะขอเดชะประตูบานนี้ทั้งหนาและหนักเกินกำลังที่หม่อมชันจะเปิดออกไปไหวพระเจ้าค่ะองค์เนื้อหัวเพิ่งมีรับสั่งให้สร้างไว้เรารู้ว่าเสด็จพ่อส่งทาเพื่ออะไรไม่เป็นไรชนะเราจะเป็นผู้เปิดออกไปเองเจ้าชาสชินทัตถาเสด็จเข้าไปใกล้บานประตู ทันใดนั้นก็มีเงาธรรมุนของบุรุษร่างกา ย, กายแสนใหญ่ปรากฏขึ้นขวางวงเอาไว้เงาของใครกันนี่<ม>ทำไมถ<ม>ึง น, น่ากลัวอย่างนี้สิท่านท่านจะไปไหนท่านเป็นผู้ใดท่าคือผู้เป็นใหในก า, าพงกระไลเป็นทเทพแห่ความรักและความตา ที่ไม่มีใครรีบุนดาที่แท้คือกามเทพ อ, อนงและพยามานผู้มีนาม ว, วัดสวัสดีท่านมาขวางข้าเช่นนี้เพื่อประโยชน์อันใดเพื่อ ป, ประโยชน์ ท, ท่านรีุนดาถ้ามาปัจจัยมาภายในเจดิวารที่นี้ท่านจะได้รับมหาสมบัติอันมีข้า ม, มา จากแก้วจิปรัการละทีพยายาสมบัติจะปรากฏแก่ทาเรื่องนั้นเรารู้ดีพยามารแต่สิ่งที่เราต้องการคือความกิ่งอันยิ่งใหญ่ที่แม้แต่ท่านก็มอบให้แก่เราไม่ได้จงหลีกไปเถิดพยามารเราจะไปจากสถานที่อันเต็มไปด้วยกิเลสอันน่ารังเกียดนี้และจะเปิดประตูนี้ เปิงที่แน่อัศจรรย์ใจจจริงพอเจ้าชาสิทธตะแตะประหารสัมผัสประตูเท่านั้นบานประตูก็พันเปิดออกทันทีเราก็มารีออกเทิดเทดามาช่วยช่วยให้แล้วก็ส่งขึ้นมากระากตควบผิออกไปดีที่เราจับหาณกระกเอาไว้ก็เลยถูกโยกเิ็มรำมาด้วยโชคช่วยจริงๆนะสินะแต่ก็ยังทันได้ยินพญามันตะวัดกาเียวตามหลังมาไนกูจะนี้พวลสิท วาสวัสดีตามติดตัวจ้เหมือนดังเนตงู้หดถ้าเจ้าอแอมเมืเจ้าจะเป็นไฟพระไทยทันที ต้องหยุดมากันอากาศทำไมหรือพระเจ้าค่ะดูนั่นสิฉันลนะมีชาวเมืองชายหญินมากมายมายืนออกกันเต็ไมไปหมดเห็นไหมทุกคนรู้ได้อย่างไรว่าเราจะไปในคืนนี้ถึงได้ออกมาส่งกันพร้อมเพรียงที่นี่แต่หมอมฉันคิดว่าในเวลาค่ําคืนดึกดื่นอย่างนี้ไม่น่ามีคนออกมาน่าจะเป็นเทพพญายดาทั้งหลาย จำแรงแปลงกายมาส่งพระองค์มากกว่าพระเจ้าค่ะจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็แล้วแต่เราสิทธัตถะขอให้คำมั่นว่าถ้าเรารู้แจ้งในสิ่งที่แสวงหาหรือสามารถทำในสิ่งที่มีผู้กล่าวว่าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะนำสิ่งที่รู้นั้นมาบอกกับทุกท่านเพื่อให้ทุกคนได้รับผลแห่งความรู้ร่วมกัน ไปต่อเถอะชนะแต่มาคณกะกลับไม่กล้าย่างไปและยังหันกายกลับมาอย่างประตูเมืองกบิลพัทเหมือนจะให้เจ้าชายได้ทอดพะเนตรนครกบิลพัทเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ย่อมทรงมีความอาลายทอดพระเนตเห็นนครกบิลพัทไหมเจ้าชาย อ่นจะรอทิเมืองของพระองค์รอทิ้งสเด็ปพ่อสเดิปมาและพระยาติวงศ์ของทันานรอทิ้งพระชายาและพระอุรสันเป็นที่รักเพื่อเอาตัวรอดไปเพียงผู้เดียวอย่างพูดไร้ทิ้งให้ผู้อยู่หลังต้องฟุ้งฝ้ายน้ําตาและมาอาว่างเ ส, สียสรัเสียศรัรอก เสียสลับเรื่อยท่านจะหาทางดับทุกหรือสร้างความทุกข์ให้ทุกคนกันแน่ท่านไม่ยอมแพ้โดยง่ายจริงนะพยามาณเพราะข้าแม้ได้ชื่อว่าบาดแต่ก็ยังมีจิตสงสารผู้คนที่ท่านลกทิ้งไปเหล่านี้ส่วนท่านสิไม่มีความอิจนาะ ทรงนึกถึงโอรสองค์ น, น้อยที่ยังไม่รู้ที่สาวังไหมแล้วต่อข้ามาสิว่าท่านมีความสเุเทศเวทนาราวุนไหมท่านมีความรักอะไรต่อยะสุธราบิมพอาชายาของท่านหรือไม่สิทธาทจงให้คำตอแกขา้า มีอันใดหรือเพคะเสด็จพี่บรรทมสนิทนิทราอยู่ดีๆก็ทรงผวาลุกขึ้นนั่งส่งเสียงดังอย่างนี้คือปีศาจร้ายนะขุนชาเดชทรงมีพระสุบินนิมิตว่าอย่างไรหรือเพคะเสด็จพี่ถึงที้ทรงคิดว่าเป็นนิมิตร้ายดูใจทีอ่อยู่ในสุภีอยู่ดีๆก็หลุดร้อยออกมาไม่หวนคืนมา เเนนีีียยยรรกกวว่่่าาัอแต่สุบินนิมิตหรือฝันร้ายก็มักกลับกลายเป็นดีได้ไม่ใช่หรือเพคะเสด็จพี่ถ้าจะให้มั่นพระไทยกว่านี้ก็ทรงรอให้ถึงเวลาเช้าแล้วให้พระโหราธิบดีหรือพราหมณ์ผู้มีวิชามาทูลถวายพยากรณ์ก็ได้เพคะรอถึงเช้าอาจจะสายเกินไปกาได้นะเราเพียงรู้สึกสังค ળ ทจ ทรงสั่งห่อนพระทายเรื่องอะไรแล้วจะเสด็จไปไหนหรือเพคะ พ, พี่พี่สัมผอสใจด้วสิทธาเนะสิไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เ อ, อ่อพี่ไปดเรืงที่กระบาดก่อนดีกว่านะน้องหีจะตามมาด้ก็ได้แต่ว่าไม่ถกหระอพูดไรใหยเพคะด้กยดีนะงั้นทรงรอหม่อมฉันด้วยเพคะเสด็จพี่หม่อมฉันขอโดนเสด็จไปด้วยเพคะ ยังไงล่ะสิทธาถึงกับนิ่งอึงไปราท่นนานตอบคำถามของข้าไม่ได้เช่นไรดูก่อนพยามารผู้ยิ่งใหญ่ข้าตอบคำถามท่านได้เพราะใจข้าผ่องใสไร้ซึ่งธุรีมาปนเปื้อนให้หมองหมัวข้าจึงไม่กลัวมารเช่นท่านอันกอบด้วยกิเลส ท, ทั้งหลายมันก็บอบาสว่ว ข้าไม่ได้ละทิ้งใครแต่ละทิ้งความวุ่นวายข้าทิ้งตันหาและความทยานอยากทั้งหลายไปสู่ความวิเวกและความสงบเพื่อให้พบคําตอบที่แสวงหาข้าไม่ได้ละทิ้งบิดามารดาภรรยาและบุตรชายรวมทั้งคนที่รักข้าทั้งหลายแต่จับไปนําความรักหรือความสุขที่แท้จริงมามอบให้ ไม่มีประโยชน์อันใดหรอกมารที่ท่านจะมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งข้าไว้จงร่วมอนุโมทนาเพื่อให้ข้าพบกับความสาเร็จเถอดคาไม่อนุโมทนาถ้าเช่นนั้นท่านจะเป็นคนแรกหรือสิ่งแรกที่ข้าละทิ้งเตรียมตัวเธอช น, นะรับด้วยกล้าพระเจ้าค่ะกันทะกะเราไปกันได้ ม, มือหันกลับไปดูข้างหลังก็ยังเห็นพญยายมารคลุกคลานตามามาสมดำคำของมารที่ว่ายังไม่ยอมแพงแต่เจ้าชายสิทธัตถะตัวเราช น, นะข้อปะไทยไข่กล้าไม่ทรงหันประพักกลับมามองทางด้านหลังเหมือนกันแต่ทรงควบม้าไปข้างหน้าที่มีแม่น้าอนโน ม, มาขวางทางอยู่ เรารูว่าแม่น้นนี้มีความกวาม้างใหญ่เจ้าชายจะเสด็จข้ามพลไปได้หรือไม่ นายนำแสดงสัจพธธัสศรีหเมธีปันธรัตพลเกียรติบุรโชสนสันศรีศริยาพรวรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเสถียนธานิดศรีสินรัตนเกณิณนนิตรือศรีสุพิศราพัฒนเจริญพิทยารัก์สุธิพัฒนอ่อนปรางจารุพัฒนเวตระศ์โชติกาเสเวตรวตรั์อ่อนวีนาเจริญพิทยรักนัทพงศ์มัฒนบุญญาบันทึกเสียงบริการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพุธศีหาเมธีอํานวยการต